เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ต้นจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของนิทานสอนใจนิทานเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นนิทานที่อยู่ในหนังสือตวยตูลพ็อกเก็ตเล่มที่สองปีที่17 เดือนตุลาคมปี2530นะครับหลังจากได้อ่านดูแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีสาระแทรกอยู่ด้วยครับลองฟังกันดูนะครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อิบกว่าปีมาแล้วสมัยที่ผัดเผ็ดหมูป่าพริกไทยอ่อนเพิ่งจะฮิตใหม่ๆนั้นวันั้นผมกำลังวิ่งตีลุกล้อเล่นอยู่กลางลานหมู่บ้านหมู่บ้า น, มานผม อ, อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองโน้นติดเชิงเขาชายป่า แต่ยังดีที่มีถนนลูกรังตัดผ่านเข้าไปถึงผมวิ่งตีลูกร้อเพลิดเพลินไปจนลุดออกจากหมู่บ้านไปตามถนนลูกรังแต่ไปได้นิดเดียวผมก็เห็นรถปิกอัพคันหนึ่งวิ่งเอื่อยๆสวนทางตรงเข้ามาหาผมผมก็หยุดรอให้รถผ่านไปแต่ปิกอัพคันนั้นก็กลับมาหยุดจอดตรงหน้าที่ผมยืนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งยื่นชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่างรถไอ้หนูไอ้หนูเขาเรียกผมผมก็หิ้วลูกล้ อ, อก็ไปหาเขาเลย ไอ้นูเว้ยบ้านข้างหน้ามันชื่อบ้านอะไรวะบ้านนาดีครับผมบอกไปเขาก็เบงกหัวฮึกหึกยังพอใจนะได้ข่าวว่าที่นี่มีหมูป่าชุมไม่ใช่หรือไงไอ้หนูโอ้โหชุมชมัดเลยนะมันเข้ามากินผักกินหญ้าเนี่ยจนหุป่นปี้กับไปหมดแล้วแทบจะไม่มีใครเขาอยากจะปลูกอะไรแล้วตอนเนี้น่าถามทำไมเหรอ <c oughs> ข้าก็าจะไปจับมันนะดีฮะ <c oughs> จริงเหรอนนะ ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เลยถือวิสาสะเช้งโอกหน้าขับไปดูในรถด้วยหวังว่าจะเห็นปืนสําหรับไว้ใช้ล่าหมูแต่ก็มองดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีปืนซักกระบอกเลยทั้งมีดพราก็ไม่มีมองหาอะไรวะไอหนูเขาถามขอดูปืนหน่อยสินะ <laughs> ไม่มีหรอกไอหนูเอ้ยเขาหัวเราะใหญ่เลยผมเลยถามว่าอา้าวแล้วน้าจะเอาอะไรไปจับมันไว้อะไว้จะตายพวกเนี้ยแล้วก็ยกหัวไม่ปุ้งชี้ข้ามไปด้านหลังรถ โน่โน่โ น, นอยู่ท้ายกระบะโน่นผมก็รีบถลาไปยังกระบะเลยเปิดผ้าคลุมออกดูก็เห็นว่าเป็นข้าวโพดดิบเป็นฝักๆเต็มกระบะไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นเลยผมก็เลยเดินไปหาเขานะน้าจะมาเลี้ยงหมูเหรอหรือว่าจะมาจับหมูอะผมงงนะเนี่ยเอาเธอเอาเธอคอยดูต่อไปแล้วกันแต่ตอนเนี้ช่วยพาฉันไปหาผู้ใหญ่บ้านด้วยสิเอา้าขึ้นมานั่งข้างๆกันเลยนี่แหม่ยังกระเสียงสวรรค์เลยในช่วงในวัยนั้น จะมีอะไรที่มันจะดูพิเศษมากกว่าการได้นั่งรถบ้างล่ะผมก็รีบตาลีตาเหลือกขึ้นบนรถแล้วพาเข้าไปบ้านผู้ใหญ่เลยเออผู้ใหญ่ครับผมจะมาขอพักแถวนี้สักเดือนหนึ่งนั่นคือคําพูดของชายคนนั้นที่คุยกับผู้ใหญ่บ้านผมสังเกตุอยู่แล้วอายุเขาก็น่าจะราวๆประมาณ30กว่าใกล้ๆจะ40ไม่สูงไม่อ้วนกระประมาณว่าหุ่นได้สัดได้ส่วนหุ่นดีนั่นแหละ กางเกงยียนขายาวส้มๆกับเชิ้ตซีซีเข้ากันดีตอนนั้นมีชาวบ้านทั้งหนุ่มทั้งแก่เข้ามามุงฟังด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าจะมาทำอะไรล่ะแกก็บอกว่าฉันได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีหมูป่าเข้ามามากมายก็เลยคิดว่าจะมาช่วยกําจัดให้นะ่ะอู้เสียงเือหาดังมาจากคนที่มามุงอ่ะงั้นก็ดีสิคุณผู้ใหญ่บ้านก็ตื่นเต้นรพรกับชาวบ้านว่าแต่มากคุณเดียวเท่านั้นเด้อ แล้วพวกฉันเนี่ยช่วยกันทําทุกวีทุกวันยังไม่เห็นจะทำอะไรมันได้เลยเดี๋ยวว่าแต่จะเข้าไปถึงตัวมันได้เลยแค่เห็นห่างๆมันก็แวบขอบาดไปแล้วพอเผลอหน่อยมันก็ออกมาขุดผักขุดมันให้มันพังป่นปี้อีกหละนี่ทามีปืนดีๆอย่างคุณน่ยก็ยังพอจะไล่มันได้บ้างนะเปล่าเขาตอบผู้ใหญ่ไปฉันไม่ได้มีปืนมาด้วยหรอกอ้าวผู้ใหญ่ก็ทําหน้าผิดหวังทันทีเอาเถอะเอาเถอะฉันจะขอเวลาสักเดือนหนึ่งอย่างที่บอกไว้แล้วกันนะ ฉันมีวิธีของฉันเองขอให้ดูไปก่อนผู้ใหญ่กะพอจะบอกที่ฉันได้พักได้นอนได้บ้างไหมล่ะเป็นศาลาหรือเป็นเพิงอะไรก็ได้โอ้ท้ายหมู่บ้านด้านติดกับชายป่านมีกระท่อมหลังหนึ่งนะผู้ใหญ่แนะนําให้เขาไปพักที่นั่นเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถแล้วก็ชะงักมาพูดว่าอ๋อฉันอยากจะขอร้องผู้ใหญ่คือว่าระหว่างที่ฉันทํางานอ่ะอย่าให้ใครเข้าไปดูหรือไม่จําเป็นก็อย่าเข้าไปวุ่นวายแถวนั้นนะไม่งั้นงานมาอาจจะไม่สําเร็จก็ได้ ได้ได้ได้ผู้ใหญ่รับปากอ้าวและจะไม่มีผู้ช่วยเลยเหรอเขาก็หยุดดีรออึดใจและตอนนั้นเขาก็ชี้นิ้วมาทางผมขอไอ้หนูคนนี้คนเดียวก็พอแล้วพรุ่งนี้ไปหาฉันที่กระท่อมดูนะไอ้หนูแล้วเขาก็ขับรถกระบะคันนั้นไปจอดที่น้ากรนะท่อมวันต่อมาเขากําลังนั่งสูบบุหรี่อยู่โคนต้นไม้พอก็หันไปเห็นผมเขาก็ลุกขึ้นทิ้งบุหรี่เอาตีนขี้เหยียบแล้วเกยปากว่าไปกันเถอะไอ้ไหนู ผมก็พาเขามุ่งไปทางไร่มันสำปะหลังที่ติดกับชายป่าซึ่งเป็นที่ชุมชนของฝูงหมูป่านั้นไร่มันติดกันเป็นติดทีทึบๆสูงทุ่มหัวเราลุยตัดหญ้าเข้าไปจนทะลุออกรานโลกอีกด้านหนึ่งห่างจากที่เราโผล่ไปราวสัก50เมตรเราก็จะเห็นมันเจ้าหมูป่า3าสี่ตัวนั้นกําลังขุดคุ้ยหัวมันกันอย่างเพลิดเพลินต้นมันล้มระเนระนาดไอ้ด้วยทั้งฝูงมันมีกี่ตัววะเขาถามผมก็ประมาณร่วม30เห็นจะได้มั้งนะ ที่เหลืออยู่ในโดงโดน่นเขาก็พยักหน้าและก้าวเดินต่อไปหามันประมาณอีก29ถึงจะถึงหมู3าสตัวนั้นก็หยุดการเคี้ยวพากันวิ่งปุเรงปุเรงเข้าไปในโดงไม้เราสองคนก็เดินตามเข้าไปโดงไม้นั้นเป็นป่าละเมาะที่มีทึบมากนะักเราก็าไปไม่ไกลก็พบกับฝูงหมูป่านั้นชุมนุมกันอยู่แล้วก็หยุดห่างจากพวกมันขนาดพอเห็นตัวได้ชัดชัดในระยะนั้นเจ้าหมูทุกตัวนั้นหยุดยืนนิ่งจังก้า จ้องมองพวกเราด้วยท่าทีเตรียมพร้อมและนักล่าหมูของผมก็ยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะนับจํานวนของมันอยู่มั้งแล้วเขาก็หันมาพูดกับผมว่าเฮ้ยนี่ถ้าเราเดินเข้าไปหามันอ่ะมันจะทํำยังไงวะผมก็บอกว่าอ๋อ oh, มันก็คงตะเลยเข้าไปลึกอีกแล้วมั้งครับผมก็ตอบ ท, ทั้งทั้งที่ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่นะที่จริงแล้วผมเองก็ปดปอดอยู่เหมือนกันเพราะหมูป่านั้นอ่ะเป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้ที่สุดแล้วถ้าหากมันเกิดฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็ ได้เป็นสวยกันเป็นแถวแน่เขาก็หัวเราะฮือฮืองั้นเราก็หยุดอยู่แค่นี้แล้วกันเว้ยไอ้หนูและผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเขาว่าหิ้วถุงไปเล็กๆมาด้วยเขาร้วงเอาของที่อยู่ในถุงออกมามันคือขา้าวโพดมีอยู่ฝักเดียวเท่านั้นเขาเงื้อมือคว่างขา้าวโพดฝักนั้นไปตกที่ตรงหน้าของฝูงหมูนั้นเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมูทุกตัวยังนิ่งไม่ยอมขยับเ ข, ขยื้อนเอาล่ะกลับกันเถอะไอ้หนูอ้าวผมก็อุทานยังไม่เห็นจะได้เรื่องสักนิดเลย อ้าเธอเองจะอยู่ก็ตามใจเขาก็ตอบผมแต่อย่าไปยุ่งกับมันนะดูอยู่เฉยๆห่างๆและแกก็เดินออกไปเลยผมก็ต้องทําทีเดินตามหลังเข้าไปเพื่อไม่ให้หมูมันผิดสังเกตและก็แอบแวบเข้าหลังต้นไม้ใหญ่ต้นนึงอาศัยต้นไม้เนี่ยกำบังรอบสังเกตปฏิกิริยาของไอ้หมูป่าพวกนั้นพวกมันค่อยๆ ค, คลายจากสภาวะความตึงเครียดกระจายออกหากินตามเดิมแต่ก็หลีกเลี่ยงห่างออกจากฝักกระเพาที่ทิ้งอยู่กลางดินจนพักใหญ่ๆ หูตัวโตว ต, ว ต, วตัวหนึ่งก็เริ่มเมีย่ยงมองเข้ามาใกล้ฝักข้าโพดท่าทีมันดูเหมือนก็กล้ากว่ากลัวจะอยากก็ไม่อยากจะกลัวก็ไม่กลัวที่สุดมันก็เข้ามาดมและจะมูกดุนฝักข้าโพดกลิ้งไปกลิ้งมา2อสามตลบแล้วมันก็ตั้งต้นคขม่ํามั่มจนข้าวโพดฝักนั้นอันตรธานไปไม่เหลือแม้กระทั่งสัง่งผมกลับไปที่กระท่อมพบชายคนนั้นนอนเนอกเคนเกสบายอารมณ์อยู่บนแคร่หน้ากระท่อมผมก็รายงานถึงการสังเกตการให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไง เขาก็ยิ้มอย่างไม่สู้จะสนใจในคําบอกกล่าวของผมบอกแต่เพียงว่าเฮ้ย hey, เช้าวพรุ่งนี้มาใหม่นะเล่นอะผมก็งงเลยยังเหลือเวลาตั้งเยอะแยะกลับนอนเล่นซะอย่างนั้นทั้งวันผมก็เฝ้าแต่คุณคิดว่าเขาจะจับไอ้หมูพวกนั้นได้ยังไงถ้าไหนกันแน่เนี่ยเช้า ว, วันรุ่งขึ้นผมรีบไปหาเขาแต่เช้าไก่โหเลยรอจนเขาทาธุระเสร็จแล้วเราก็ออกไปเดินตามทางสายเก่าเหตุการณ์ยังคงคล้ายกับวันวานหมูป่าสองสามตัวที่ออกมาขุดคุ้ยหาหัวมัน ก็วิงตเตลยดกับข้าดงไม้ไปอยู่รวมกับพรรคพวกของมันเหมือนเดิมต่างกันแต่ว่าคนนี้หลังจากเขาคว่างข้าโพดไปตกกลางหน้าของมันแล้วไอ้หมูตัวใหญ่เดินทลันออกมาจากฝูงและตรงเข้าไปยังฝักข้าโพดอย่างมั่นใจทำกลางสายตาของบรรดาหมูในฝูงมันเคี้ยวกินข้าวโพดนั้นอย่างอรเด็ดอร่อยพอหมดฝักก็เงยหน้าขึ้นมองมาทางเราพรานล่าหมูของผมก็คว่างฝักใหม่ไปให้มันคนนี้มีหมูในฝูงอีกสอาตัวขยับเดินออกมาจากฝูง แต่ก็ยังไม่ทันไอหมูตัวใหญ่ตัวแรกที่คือเบิกเขโพดฝักนั้นอยู่ดีแหละเขาโพดฝักนั้นก็หมดไปอีกในช่วพทริปตาแต่พอชายคนนั้นเดินขยับเข้าไปหามันหมูทั้งหมดก็แตกคือตะเลยเข้าไปในโรงไม้อีกช้าวันที่สเวลาเดิมตรงเปะ๊ะเราเข้าไปพบฝูงหมูอีกหมูทุกตัวรอเราอยู่ที่เดิมเรากับรู้ว่าคราวเนี้จะต้องเจอพวกเราแน่ๆและก็คราวนี้อีกเช่นกันเขาหอบก็โพดถุงเบเร้อไปเลยเราช่วยกันขว้างเขโพูดกระจายไปตามจุดต่างๆไม่ห่างกันนัก หมูครึ่งฝูงเดินออกมากินข้าวโพดของเราแต่ก็ยังมีระวังตัวกันอยู่บ้างช้าวันที่4ผมก็ช่วยเขาหอบข้าวโพดไปอีกถุงหนึ่งระหว่างข้าวโพดในบริเวณนั้นกระจายไปโดยรอบหมูตัวเล็กๆตัวน้อยก็ออกมากินกันหมดทั้งฝูงเลยและก็อนุญาตให้เราเดินไปใกล้มันด้วยนะในระยะ19วันที่5้าเราเอาข้าวโพดไปเท่ากับวันวานแต่วันนี้หลังจากหวานข้าวโพดไปเรียบร้อยแล้วทรานหมูก็เอ่ยกับผมว่าเฮ้ย hey, ลงมือทํางานได้สัทีแล้วเว้ยไอ้หนู ช่วยกันหากอไผ่แถวนี้ส ก, กอซิผมไม่รู้ว่าจุดหมายของเขาหรอกว่าเขาคิดอะไรแต่ก็ได้ทําตามที่เขาสั่งนะเราตัดไม้ไผ่ลําตัวหลายๆลําแล้วตัดออกเป็นท่อนๆแต่และท่อนยาวราว1เมตรและเสียมปลายแหลมเราก็ช่วยกันขนไปกองไว้ใกล้ที่ชุมชนของหมูป่ากว่าจะเสร็จก็เย็นผูงหมูก็ยืนสังเกตการอยู่ห่างๆแต่ไม่มีตัวใดเข้ามาใกล้กองไม้ไผ่เลยวันที่6กหลังจากที่เลี้ยงกระโพดหมูตามปกติแล้วเราก็ตัดไม้ไผ่อีกหลายสิบลา แต่ขนนี้ไม่ได้ถอนให้สั้นและรีดแบบให้มีกิ่งสั้นติดด้วยเพราะขนมันไปกองเคียงกับกองเมื่อวานนี้จบภารกิจวันที่7หลังจากเลี้ยงข้าวโพดหมูแล้วเราก็พบว่าจํานวนข้าวโพดก็ร่อยหรอเกือบจะหมดรถกระบะแล้วเนี่ยไอ้หนูฉันจะเข้าไปในเมืองนะไปเอาข้าวโพดพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่เขาหันมาบอกผมก่อนจะขึ้นรถแล้วขับไปเช้า ว, วันรุ่งขึ้นผมยืนรอเขาตรงปากทางเข้าหมู่บ้านรอจนสายก็ไม่เห็นว่าเขาจะเข้ามา แดด ก, ก็ชักร้อนผมก็เลยกลับผเอิญนึกสงสัยอะไรบางอย่างจึงเดินไปทางท้ายหมู่บ้านตัดได้มันสัมปรังไปยังดงไม้ครับจริงอย่างที่ข้าคิดไว้หมูทั้งฝูงยืนรอยอยู่ตรงตำแหน่งเดิมของมันท่าทางแต่ละตัวหงุดหงิดกระวนกระวายไม่มีตัวไหนแตกฝูงมาไปขุดเผือกขุดมันตามที่เคยปฏิบัติมาก่อนพอมันเห็นผมมันก็ฮือเข้ามาเกือบถึงตัวผมก็ได้แต่แบะมือยกไหลให้มันแล้วก็หันหลังกลับบ้านเย็นวันนั้นเขาก็ขับรถกลับเข้ามา บอกกับผมว่าเกิดเหตุขัดข้องนิดนึงจึงกลับผิดเวลาถ่ายรถเขบรรทุกเขาพดมาเพียบผมายงานเข้าถึงปฏิกิริยาของหมูที่ได้เห็นเมื่อเช้าเขาก็หูเราะแล้วก็ไม่พูดอะไรเช้าวันต่อมาเราหอบเขาพดไปตรงดงไม้ฝูงหมูกำมารอยอยู่แล้วระหวา่างเขาพดแทบไปทันใจพวกมันเลยทุกตัวตะกุมตะกรามอย่างหิวโหวยผมสงสัยว่าเมื่อวานนี้มันได้ออกไปหากินกันเองบ้างหรือเปล่านะ เฮ้ย hey, วันนี้เราจะเลี้ยงมันชดเชยเมื่อวานแล้วกันปะเรากลับไปเาไมาอีกถุงนึงเถอะเขาก็ชวนผมไปที่รถขอบข้าพดมาอีกหนึ่งถุงใหญ่อ้อเขาลากเอาค้อนปอนตัวเบื้องบมาจากท้ายรถด้วยเจ้าหมูฝูงนี้ก็ยังคงแปลกตายอยู่แถวนั้นไม่ไปไหนพอหวานข้าพนเสร็จเขาก็เอ่ยกับผมว่าช่วยกระทำโคกได้ไรหนูเราก็ตั้งต้นเอาไม้ไผ่ท่อนสั้นที่บากไว้มาปักบนดินห่างกันราวประมาณ1เมตรเอาค้อนตอกให้แน่นนะเราทําไปเรื่อยๆไม่กระโด ก, กระดากให้หมูมันตื่น ซึ่งหมูพวกนั้นก็หันมาเล่นมาละกินอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่เราทําสงสัยมันจะเริ่มสนิทกับเราแล้วมั้งนับจากนั้นก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ทุกเช้าฝูงหมูจะมายืนรอยอยู่ตรงนั้นไม่มีตัวใดกระจัด ก, กระจายไปหากินเองเลยวันไหนเราไปสายก็จะเห็นว่ามันกระสับกระสายงุ่นง่านและแทบจะเข้ามาคำบ้าก็พโพจากมือเราให้ได้เราใช้เวลาสองสวันเต็มๆจึงปักเสาล้อมรั้วเป็นสี่เหลี่ยมขนาด20เมตรคูณยีเมตรเสร็จ หมูมันก็เดินเข้าออกระหว่างเสานี้ตลอดระหว่างที่เราทํางานนี่แหละถัดจากนั้นเราก็เอาไม้ไผ่ลํายาวมาพาดขวางแล้วก็เอาเส้นหวายมัดกับเสาอย่างแน่นหนาพ้าสี่ชั้นโดยแต่ละชั้นสูงกันราวประมาณหนึ่งคืบจนแล้วจนรอดคราวนี้ก็เป็นโคอกโดยสมบูรณ์แล้วมีประตูเข้าออกพร้อมแล้วก็เปิดประตูนี้ไว้ให้หมูมาเดินเข้าออกอย่างเสรีได้ทีนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายในให้มากความต่อไปเองนะครับว่าอีตอนจับหมูพวกนั้นนะ่ะขึ้นรถจะทํำยังไงบ้าง หมูในคอกนะ่ะมันยากกว่าหมูในโอไอนิดเดียวเองบรรดาชาวบ้านนั้นไม่มีใครได้ร่วงรู้ถึงความเป็นไปแบบขั้ น, น, นตอนๆอย่างที่ผมเห็นกับตาตัวเองดังนั้นเมื่อชายคนนั้นทยอยเอาหมูป่าขึ้นรถกลับไปวันละสีหตัวก็ได้แต่มองกันตาค้างสุดท้ายเมื่อหมูป่าตัวสุดท้ายถูกหามขึ้นรถเรียบร้อยเขาก็หันมาทางผมแล้วก็ชักกระเป๋าตังค์ออกมาเขาตบรางวัลผลอย่างงามเมื่อเทียบกับรายได้จากการทำมาหากินภาษาบ้านนอกทั่วไป เขาขอบอกขอบใจผมสั้นๆแล้วก็หันกลับขึ้นรถแต่ก็ชะงักไม่ได้ยินคําถามจากปากผมผมถามเขาไปว่าน้าน้ ana, ถามสักคำเถอะครับวิธีการของน้านเนี่ยมันใช้ได้กับสัตว์อื่นไหมโอ้เขาตอบยิ้มยิ้มไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละไอ้หนูลงมานายเปลี่ยนิสัยการกินอยู่ของมันได้ทําให้มันสบายใจจนเคยตัวได้แล้วเมื่อไหร่แล้วก็นานก็จูงจมูกมันไปได้เมื่อ น, นั้นแหละว่าแล้วเขาก็เปิดประตูรถ แล้วเหลียวหันมามองผมอีกครั้งเหมือนว่าจะนึกอะไรออกแล้วเขาก็พูดมาประโยคหนึ่งเออวิธีนี้ถึงเป็นคนก็ใช้ได้เหมือนกันนะเวจําไว้นี่ก็คือนิทานที่มีสาระแฝงแง่คิดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นนิทานสอนใจได้เรื่องหนึ่งอยู่เหมือนกันขอบคุณหนังสือตวยตูนะครับที่ทําให้ผมได้มีนิทานมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็หายไปนานครับนิทานช่วงนี้ขออภัยเป็นอย่างยิ่งยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับ ที่ติดตามกันผมก็จะพยายามหานิทานที่มีสาระมาเล่าทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ